4. เอาเวทจับปสันนสูตรว่าด้วยผู้เลื่อมสสยยังไม่หวั่นไหว้ 6. ภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมสสยยังไม่หวั่นไหวในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโสดาบันบรรดาบุคคลผู้เป็นโสดาบันเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกมีความสำเร็จในโลกนี้และบุคคลห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้ว จึงมีความสำเร็จบุคคลห้าจำพวกไหนบ้างมีความสำเร็จในโลกนี้ 1. พระสัตตะคัตุปรม a โสดาบัน 2. พระโกลังโกละโสดาบัน 3. พระเอกาซีพีโสดาบัน 4. พระสกทาคามี 5. พระอรหันในปัจจุบันบุคคลหําพวกนี้ มีความสำเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกไหนบ้างละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จคือหนึ่งพระอนาคามีผู้อันตระปรินิพพายี 2. พระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายี 3. พระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายีส พระอนาคามีผู้สะสังขารปรินิพพายี 5. พระอนาคามีผู้อุดทางโสตากาะนิทคามีบุคคลห้าจำพวกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าได้เหล่าหนึ่งเลื่อมสายยังไม่หวั่นไหวในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโสดาบัน บรรดาบุคคลผู้เป็นโสดาบันเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกแรกมีความสำเร็จในโลกนี้และบุคคลห้าจำพวกหลังนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จเอาเวทจับปเส น, นสูตรที่สี่จบ